เขากับว่าเราได้มีสติแล้วได้ปฏิบัติแล้วอันเนี้ยสำคัญมากเราอย่าเพิ่งไปหวังผลว่าจะได้อะไรจากการปฏิบัติการหวังผลนะ่ะทำให้ใจเราต้องฟุ้งซ่านสงสัยบางท่านนี่พอเริ่มลงมือปฏิบัติใจก็แสวงหาความสุขแล้วอยากให้มันสงบไม่อยากให้มันคิดอันนี้แหละ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 คุณหมอสามารถช่วยเหลือชีวิตไม่ได้ท่านก็นเลยพ้นวิกฤตตรงนั้นฟื้นกลับคืนมาอีกครั้งท่านล่ายฟังว่าท่านเพียงแค่รู้เฉยๆรู้เฉยๆถ้าว่าท่านในมรณภาพไปตอนนั้นเนี่ยจุดติจิตคือจิตที่ตายเนี่ยจะต้องไปเกิดดีเพราดเพลินอาจจะไม่เกิดเลยก็ได้พบชาติก็ดีเพราะฉะนั้น